เริ่มถามเลยนะครับวิสาวรทวักนะครับที่หนึ่งปัญหาข้อแรกถามว่าจงจำแนกมาว่าการโกโหกแบบไหนเนี่ยง่ายสุดเลยทามไม่ต้องเอาแบบประราชิกสังฆาทิเซนถุอริ้ใจปาฏิตรีและทุกกฎครับจำแนกมาอาจจะอย่างไรสุเลยนะั้นแบบประราชิกเลยนะไรมาเลยปรราชิโกหกว่าตัวเองมีคุณิเศษครับครับใช่ครับ บอผมว่คุณวิเศษทั้งที่ไม่มีใช่ครับ ม, ม, มีนะคุณวิเศษนี่เอาแค่ไหนครับเอเอาคุณธรรมพวกไหนครับดดรมรรคผลนิพพานฌานสมาบัติอภิญญาดดพวกนี้ใช่หครับครับอันนั้นก็แบบไหนเ้นคาพิเศษนะครับโจ ด, ดโจ ด, ดโจดโจเลยบัตตราชิตไม่มีมูลครับ ต้องนะครับ่ใช่แบบมันต้องถืงรอถ <c oughs> บบรัใจครับนี่ต้องถือรัใจก็มีแบบไหนนะครับครับถือรัดใจนะครับอ๋ออันนั้นเนี่ยสัมภาิเศนั่นนะสัาษดิเศษอี่ที่รู้ไม่กว่า เกี่วกัาพพิเศษไม่มีมูลรอ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าอ๋อไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพเกี่ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้นะครับถือลับใจแบบไหนโปรหกแบบไหนต้องถึงรัใจตัวรารคดีไม่มีมูลแต่ว่ายังไม่ยังไม่ปรหกโอไม่ใช่ไม่ใช่ทคาพักโปรหกว่าพิเศษ คาบุติข้าห้องน้ำคับถูกต้องครับเขาเรียกว่าวงตริมนุษธรรมโดยออบใช่ไหมครับถูกต้องนะถูกต้องเข้าเข้าใจความนะต้องแถุนละใจนะครับแล้วก็แบบไหนต้องไปอีกตีท่านนี้ โกหกทั่วไปธรรมดาทั่วไปนะครับต้องไปตีแล้วก็มีแบบไหนอีกครับต้องไปตีก็คือในข้อนี้ใช่ไหมครับโกหกธรรมดาทั่วไปนะต้องไปตีครับไม่เป็นไรบางคนเดียวก็ได้แล้วก็แบบไหนต้องทุกต้นครับบอกแล้วผมไม่เขาใจบอกอะไรครับพี่เต้ปกอาอะไรอยู่ตรงนู้นอ๋อครับ โอนตุลีด้วยอ้อมและเขาไม่เข้าใจอันนี้ต้องบักทุกกฎถูกต้องะครับถูกต้องครับข้อนี้ผ่านไหมครับ <c oughs> จงบอกองอาบัตและอนาบัตของสิขาบือ้อนี้มาครับ <c oughs> ข้อมุษาเขาแหละรู้ว่าเป็นเรื่องวิจิตรไม่ไมใ่ใช่ไม่ใช่ครับองอาบัตอ่าอ่าไอ้ องแค่แสองคนนีกองแค่แสองนะครับ พ, พูดสิ่งที่ไม่จริงแล้วก็คนฟังรู้เรื่องอ๋อไม่ถูกยังไม่ถูกองแค่อแล้วค่อยคิดนะค่อยคิดองสองจำอะไรไม่เหมือนไม่เหมือนของคารว่าใช่ไหมคารว่ามันนั่นองเท่าไหร่มันก็องสี่ใช่ไหมครับสีห้านะองสี่นะ แต่ศีปลปาติโมนีนแค่องสองมสาคนงสองโดแล้วนะครับเรื่องไม่จริงไม่มีอันนั้นของคารว่หา้หาศีลหา้หาเรื่องมจริงของศีห้าอันนี้มันดนขั้นตอนที่พอนั้นนะครับเจตนาพูดโกโหกเจตนาพูดโกหกครับก็คือมีเจตนาที่ให้เขาเข้าใจข้างเคลื่อนใช่ไหมครับ จากความเปจริงนี่นะครับข้อแรกนะข้อที่สองนะครับโอ้ไม่มีไอ้ไม่มีเขาเนี่ยไม่มีเปล่งวาจาเอาอย่างนี้แล้วชอบเปล่งวาจาันได้แต่ว่ามันยังไม่คุมยังไม่คุมนะครับมันต้องคุมเหมเือนไงเปล่งวาจารืงที่มัหมื พยายามพยายามจะให้รู้ข้อความที่ผมครับด้วยด้วยกายแล้วก็และยวิาจาด้วยกายหรือวิวาจาร์ครับครับคือตอนแรกมีความประสงค์ความคิดอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็พยายามออกไปนะที่เขจะให้เขาเข้าใจข้าลื่อนด้วยกายหรือวิวาจาร์นะครับนี่ครัถูกต้องครับองศ์อนาบัตนะครับอนาบัตหา ครับบงีก็ได้ที่สุ้าอ่าถูกต้องแล้ววิกรเจิญเลยเป็นบ้านข้อนึงยครับไม่ตรครับง่ายนะอ๋ออันนั้นก็รวมทีเดียวครับเพราะหมายว่าสุบ้านเป็นต้นพวกวิกรเจริญมีจ็บฟุ้งร้างกับสรรพสระสาเพระเวทนาอธิกรรมิกระอนีนี้รวมเป็นอันเดียวกันนะครับ ทีเดียวนะ้าเป็นต้นโหแล้วไม่รู้เรื่องไม่มีครันี่ไม่มีไม่ใช่นะบัดเพอร์สติรขาเขาเรียกว่าพูดอะไรนะครับพูดพั้งอ่าพูดผพังพูดังพูดพลาดใช่ไหมครับผีนะครับพูดพังพลาดครับเอามาต่างกันยังไงพูดพังกับพูดพลาดครับจะพูดถึงนี้หรือว่าจะพูดอีกทีชื่อว่าพูดพลาดใช่ไหมครับ ตั้งจะจะพูดคำนีน้แต่ไปพูดคำหนึ่งเรียว่าพูดพลาไอ้พูดพรั้งเป็นยังไงครับไม่ได้ตั้งใจจะ่คิดแตพูดเ่คาวคคือมันพลั้งเปล่าไ ป, ปใช่ไหมค<ะ>าวค่ะพูดเรื่องนี <c oughs> ถูกต้องงานี้ถูกต้องนะต่อไปนะครับเอาไปขึ้นข้อสองแล้วนะคำพูดเสียบแทงให้เจ็บใจด้วยอาการสิบอย่างมีอะไรบ้างจงบอกมา อที a, mind, found, right? ่ไปด่าเท่าก e yeah, ันจริงกับเรื่องอะไรบ้างครับสิข้อนะข่าวอุกข์อันนี้คือขาตะกูลโคตรข่าวชื่อชาติโคตรอันดีวกันข่าวโคตะกูลในการแล้วก็วัตวัตถะครับอันนั้นผิวพรรณใช่ไหมครับผิวพรรณอันนี้รับมันมาตรงผิวพรรณนั่นครับครเรียกว่าสันฐานแล้วก็เสียงลำบาก อันครับอาัตอาบัตนะครับการงานการงานครับโรคโรคครัครับการศิลป์ศิลป่าครับนี่แค่สองแค่สองไองอ๋อเดี๋ยวอ๋อสันถามเมื่อกี้นะครับไปแล้วนะครับไปแล้วอ๋อลูกพันไปแล้วนะครับมีอะไรอีกน ทัวร์อีกทิ้งทัวร์อีกทิ้งเมกี้นชื่อโคดการงานอะไรโรคเมื่อกี้นะอาบานะครับอ๋อศรีปะตการงานเขาแยกกันใช่ไหมคนละข้อนะครับลําเื่อกี้มันเต็มวาอะไรนะลืมไปนะสันธานอันที่สันานใช่ไหมผิวพรรสันธานนะครับไม่เหมือนเด็นะโคดการงาน จินละาค่อาบาทครับอาผาาอ่าโรคโรคเออครับวันน้าวันน้าครับอ่กลางรยังนี่อันหนึ่งใช่ไหมครับเรียงบรียงมาในสมองนับไปนับไปกระึ้นกระดานกระดาษคือจ้า กลพันธุ์นครับเอสงต่ำดำขามันก็รวมมีข้อในการนันวันนั้นกเอ๋อกี่เลขกีเลขหน้สุดท well ้ายหน้สุดท้ายตากูตั ครับสิบอย่างนะทจะต้องเลยโอ้ไม่จ้ไม่แน่นหรอกร<ข>อพี่ครับพ <ขอ S 2> ี่คอรอับแค่ไหมครับแค่แทนลูกพันรูปพันหมครับลูกพันไม่มีรูปพันไม่มีใช่ไหมครับมีแต่ ทำไมวะเนี่ยมีจังหวระรูปพันธรูปพันธ์มีสองอย่างเนี่ยรูปพันธุ์ถูกแล้วนะครับรูปพันธนะ์ถูกแล้วนะชาชื่อข้อการงานศิลปะรอกรูปพันธ์กิเลสอาบัติคำด่านะครับถูกแล้วนะรูปพันธุ์ถูกแล้วนะครับอ๋อในที่นี้ใช่ใชผมขีดนะครับแห้แกไปเพราะว่ารูปพันธ์ นีนะ่ในการขางแก้เควาอลูกพันนะครับต่อไปนะครับข้อที่สี่จงจำแนกมาว่าการด่าแบบไหนบ้างที่ทำไมตนต้องอาบัตรทุกดแบบไหนทำไม่ต้องเอาบัตรปาจิตตีเอาที่เป็นปาจิตตีก็ได้เอาคำด า, ดาก่าอนไปอาจารย์ได้แท่เป็นปกจิตี ครับดาด้วยคาดาที่มาในพระบาลีนะไปไล่อย่างงั้นช้าไไม่ทาหรอกนี่เลยดาด้วยคาดาที่มาในพระบาลีนะตั้งแต่ชาติที่ก่อนหนึ่งกี่เดแล้วก็คาดาที่่านว่าไวใช่ไหมครับทั้งคางคำดาดีคำดาสารนะมีอะไรอูดอลาเป็นต้นเมื่อกี้นีนะไอโคใช่หมีนะครับ แต่ไหวได้เป็นทุกข์กอดเป็นทุกข์กอดคไม่มีมา่อนด่าไม่มีรัฐบาลอะไรเลยที่เป็นทุกข<บ>์กขอดก็คือใช้คาด่าที่ไม่มนันคาบาลีนะครับหรือว่าดา่าใครก็ต้องเปทุกขอ์อีกแบบหนึ่งที่ต้องทุกข์กขดา่านุบประสัมัญ น, นะครับถ้าดา่านุบประสามัญจะใช้คามาในภาพบาลีนอกภาพบาลีก็ลวแสนนะ ก็ต้องมาทุกกฎทั้งนั้นนะครับถูกต้องแล้วถูกต้องจงยกตัวอย่างการพูดร้อเรียมาคนละหนึ่งตัวอย่างเอาเลยขนอ้วนถึงอ้วนเนี่ยะถูกต้องนครับไออ้วนอไออ้วนแกไปไหนอ่ะไอพรอมไอพรอมนะครับอะไรแค่ใช่ไหมเอาไข่แห้ง บางทีก็ได้ไอกระดูงี้นะก็มีครับอ้าว ง, ง่งยๆคนละหนึ่งตัวอย่างนะเน้นช้อนกับที่พี่สุดยังไม่ได้ยกพี่พูดยังไม่ได้ยกข้ายกกั้วนี่ยคมแล้วยังมีอีก อ, าอางง้าคนละหนึ่งตัวอย่างไงแค่คนละหนึ่งตัวอย่างยกตัวอย่างการพูดร้อนเรียนคนละหนึ่งตัวอย่าง ตัวอยางีาอตัวอยางที่เขเป็นอ๋อยกตัวอย่างมาครับยกตัวอย่างทีอเขาเดินครับครับเราก็ได้ว่าไอ <c oughs> ้ตุ๊นี้ <c oughs> อเลียนเขาใช่ไหมครับไอ้ตุ้นอย่างนี้นะคราบได้อ้าวช้อนช้อนหา <c oughs> เขาเอาเยอะไอ้ดำไอ้อ้วนไอ้แคบไอ้แห้งนะพี่ดูแล้วเราเคยเลาะเพื่อนเมื่อตอนตอนเป็นเด็กนะไอนะไอนด้านหัะอ๋อได้ได้ด้หมดนะครับนี่เอาหลพี่พูดครับอะไรนะไอ้ตุ้มหม เมื่อก่อ น, นมีทรานะเวลาผู้หญิงมาเที่ยววัด น, นะท่านทําท่ามันก็ว่าไม่ชอบใจนะครับท่านจะเรียกอีจตุมึกอีจตุมึกพวกนี่นะมาทําไมนะโอ้มาเที่ยววัดมาทําไมท่านก็ว่าอย่างนี้นะว่าเขามันเที่ยวท่านจะทําท่ามไม่ชอบใจนะครับแต่ไปเอามานะครับท่านสึกไปแต่งงานอีจตุมึกนะครับถ <c oughs> ึงว่าแต่งงานนะครับะ่ะบางทีที่พูดไปแล้วไม่แน่นะเอยอางจะชอบก็ได้นะครับ จะมันเกิดกี่เดชเกิด อ, อะไรใช่ไหมมันไม่จะพูดยังไงก็ผมก็หาเขานะครับนี่ก็เสร็จเรีบร้อยครับนั่นนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเหตุที่ทาให้เกิดการยุโยงนะให้เขาแตกมีกี่อย่างครับเหตุที่ทาให้เกิดการสอเสียยุโยงมีกี่อย่างจงบอกมา อ, อย่างครับคือ ไม่ใถ่เขาเลืกอกความหมาะสมความสหมาะมาแตเหตุเนี่ยก็คืออันแรกต้องการให้เข้าต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาชอบเราใช่ไหมครับอันที่สองมัลติคิ้น่ะให้ต้องการให้เข้าแตกแยกกันนะคะนะรับอยางนี้นะมาแต่เหตุในสองอย่างนี้นะครับอืคมครับและจงบอกมาว่าการสอดเสียบแบบไหนบ้าง ที่ทำมันต้องอางบัดทุกกดนะครับข่ายกั น, านนะดาตู้แจ้งซ่อนไร่ดีอาจเกิคำครับ อ, อ๋ออออันนี้ต้องมาทุกกดนะครับโดยอ้อมนะโดยอ้อมใช่ไหมโดยอ้อมไง เดลภาคนหนึ่งมาโคตรเตี้ยเลยน้องสองหัวเป็นยังไงครับควมนี้ววามี้ราปีอพวกเนี่ยครดมองสัยได้ไหมคนนี้เข้าทั้งสองพวกเลยพูดฝ่ายนี้แล้วก็ไปพูดฝ่ายนู้นยุยงเขาแต่แยกกันไดเฉยนะครับคือแบบไหนท้าต้องมาทุกกฏ ก็ค่ายการด่าก็ไม่ยากถ้าค่ายการด่านการยุยงมันคายกันเกี่ยวกับการจำแนอาบัตนะเพราะว่าด่าด่ายังไงเป็นทุกกด่ากไปอีกทีไอยุยงมค่ายกันนะครับยุยงค่ายกันครับอะไรนะ เอาคําด่าทีม่มาในมาเลเซียบาลีน่ะไปยุโยงข้อใช่ไหมอันนี้นะครับก็ต้องบัตรทุกกดนะแต่ถ้าเอาคําด่าที่มาในพระบาหลีหรือไปยุโยงเขานี่ก็ต้องบัตปาจิตตินะครับหรือว่ายุโยงใครยุโยงอนุบาสัมบันนี่นะครับก็จะต้องบัตปาจิตตินะครับต้องนั่งสิงนะครับ แต่รู้ว่าจะยุยกอีกแบบนะยงเนี่ยยืโย ย, โยด้วยคําด่าอ้อมอ้อมเอาด่าที่ด่าหนาวอ้อมนะไปยุโยให้เขาอัน น, นั้นแตกกันครับยืก็จะไปทุกขอดเหนกันนะครับอต่อไปนะครับจองอธิบายสิกขาบทข้อย่างอนุปสมบัติให้กล่าวทำโดยบทมาข้อนี้เป็นยังไงครับที่ว่าเป็นไปอยีกตีนะเพราะว่าการยังอนุประสมบัติให้กล่าวทําโดยบท จะอธิบายมายเขามันยังไงเก็มีพลาใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรถ้าต้องการเข้าใจคาอธิบายอย่างนี้นะอาจจะอธิบายเขาฟังหนครับเอาเข้าวไม่ต้องยกมาทุกข้อก็ได้พออธิบายเขารู้เรื่องครับการอประโยนให้มันัเกิดการสองประโยเหมือนกันรู้ฟังหรือจัรู้ฟัหรือจังรู้ปลาดีจ้ารู้ปาอันจา้า โวยธานานี่จ้าอายุายกตัวอย่างยกตัวอย่างที่ท้ายเป็นาานามบัตรข้อนี้่เป็นยังไงคอับถือว่ามีภาคกานันในแล้วะ้าทํายังไงสอนทํายังไงที่ทำให้ท่านต้ออา่บาบัตรข้อนี้เน้นว่าตามาที่นะครูบางอนิจจังอย่างเงี้ยถ้าเน้นว่าตามพบ ก, ก็ต้องหรืออย่างเช่นเราบอกว่าเน้นว่าตามท่นครูบาอนิจจังแต่เน้เ เนยว่าตางเนก็ว่าตังเนไม่ได้ว่าพร้อมมาแล้วเท่าไหใช่ไหมเนยว่าตังนะเขาก็รู้ปังอันนี้จังแล้วรู้ปังอันนี้จังใช่ไหมถ้าว่าตังว่าตังหรือว่าพร้อมต้องว่าพร้อมกันใช่ไหมครับแช้เน้นว่าพร้อมกตนเองครับคือสอนนะสอนให้นลประสมบังนะครับกล่าวทำพร้อมกับตนนี่เห็นที่หลวงพ่อว่าไหมยกตัวอย่างแรก เกี่กับบอกว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจารใช่ไหมครับอันนี้เป็นยังไงนะคระบัขรบขบราชบดขบราชบดถ้าให้เน้นว่ารูปางอนิจจังพร้อมกับตนเน้นไปว่ายังไงครับเวทนาเน้ น, นไปว่าเวทนาอนิจจาระคำว่าอนิจจ์ของเน้นอ่ะม า, ม า, า, า, า, าตั้งอนิจจ์อนิจังของพาะใช่ไหมครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นนามบัตรก้อนที่หนึ่งใช่ไหมและมีก้อนอีไหนอีกครับ วพร้อมกันนะครับว่าหัวลงท้ายต้นไม่ทันแตไปจบพร้อมกันจบพร้อมกันคือบาแรกท่านยกตัวอย่างบาแรกไม่ทันใช่ไหมแต่ไปการจะไปทันบาที่สองจนพร้อมกันนะครับถต้องครับหรือว่าพร้อมเข้ไปทุทั้งึ้นต้องลงท้ายอะไใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องอาบาแล้ครับหรืออีกแบบบาสุดท้ายเนี่ยที่แปลกมากเนี่ยอยเช่นข้าบอกว่ารวมังหิาร์แต่ี รู้นอนแน่วแค่รู้แค่นั้นนะว่าของของพร ะ, พะแค่รู้เนี่ย น, นี่ก็ต้องอาบาัตถึงต้องนะครับต่ <c oughs> อไปรับเซนาสนะอย่างไรที่ออาาทนะําไม่ต้องอาบัตทําไม่ต้องอาบัตปาจิตตีด้วยนะในเพราะการนอนร่วมกับอนุปัสมบัตนะครับมีที่มุมที่บา้านอามุงแค่ไหนบางแค่ไหนครับท่านผู้ชมอ สองถึงสามไม่เอาทั้งหมดไปเลยเหรอทั้งหมด <c oughs> ก็ได้เขามีหลายข้อครับเอ า, เอาข้อที่เป็นไปอีกีตีก่อนผมแยกปลายีตีทุกผมแล้วก็อนามบัตใช่ไหมครับเราไปอีกีตีก่อน ม, มงเลยมากครับบางเลยมากอ่ามงเลยมากบางเลยมากได้คอนแลนะครับแล้วก็ทั้งมงทั้งบางเลยมากอือกันนะ ข้อแรกข้อแรกนะมุงทั้งหมดบางทั้งหมดใชงไหครับข้อที่สองมุงโดยมากบางโดยมากวันเสารมุงโดยมากบางโดยมากทั้งหมดมุงทั้งหมดบางโดยมากครับต่อไปก็ต้องข้างตรงข้ามยังไงครับมุงทั้งหมดเอ่อบางทั้งหมดมุงโดยมากครับแล้วก็ครับ ก็อันนี้จะมาคู hmm. <c ười> <c ười> <n> ่กึ่งนะจะมาคู่กึ่งนะอุ้มไม่ได้ไ่้นทุกแล้วนะครับมงทั้งหมดบางกึ่งนึ่งบางทั้งหมดมุ่งกึงหน่มยมากบางกึ่งนึ่งบางยมากมง ครับถูกต้องครันบไู้ไปคลองพอดีอันนี้เราจะไม่งา่ายว่าทั้งหมดหรือว่าโดยมากนี่โดนแน่ใช่ไหมครับหรือว่าทั้งหมดโดยมากมาขั้วกึ่งหนึ่งก็โดนครับเราขึ้นก่อนนะมึงทั้งหมดบางทั้งหมดมงโดยมากบางโดยมากใช่ไหมครับมงทั้งหมดบางโดยมากเ อ, อ้ยมึงจะสับสันะ <laughs> <laughs> บางทั้งหมดมึงโดยมาก เอาเอาบังว่ามุงอธิลาอย่างไรครับมงทั้งหมดนะครับบังโดยมากมงทั้งหมดบังตึงหนึ่งนะครับบังทั้งหมดมุงโดยมากบังทั้งหมดมุงเกินึ่ี่ครับได้จะได้แปดข้อถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้นะแล้วแล้วก็ยังไงอีกนะครับมันต้องมีย่อยกั่นี้นะมารู้ว่ามุงบังทั้งหมดแล้วต้องเป็นลักษณะไหนนะครับถึงจะเป็นแบบปตีเจาะลาเหี่ยบเข้าไป บางทีนะ่ะมันก็มงทั่งมดบางทั้งหมดนั่นแหละแต่ไม่ต้องอาับาัตไปอีกตีตอนนี้ก็มีนะครับไม่ต้องอมบัตเพราะการล้ลูกอักเสบอนุบัตสามวก็มีนะเช่นเราเป็นงานตึกเนี่ยโหเนี่ยมันมึงบางนเดียวกันใช่ไหมหรือสาระใหญ่นะ่ะแต่กลับไม่ต้องอับัตนะครับพราะสิกขาบท น, นี้ครับรับค อ, อ, อ, อันนี้อันนี้อเอาอาที่ต้ออับัตครับครับคือ เป็นนอนหน้าห้องครับนอนหน้าห้องถ้าไปก็ต้องบอกทางนี้แต่ว่านอนคนละที่เมื่อออกไปกจะต้องเป็นนอนในห้องเดียวกันไปเลยหรือว่าในที่มีปัจจารเดียวกันใช่ไหมค ร, ค, รครับคือแกนอนอยู่หน้าห้องเนี่ยนะสมมติว่ามันมีซักตั้งร้อยห้องเนี่ยถ้าว่านอนห้องใครห้องมันเนี่ยเป็นนาบานัติไหมครับ ไ, ไม่เป็นนะครับ แต่ถ้าว่ามีพระหรือว่าเนเนี่ยแนวมานอนข้างนอกนี่นะพระที่อยู่ข้างในก็จะต้องอาบัตใช่ไหมครับนึ่ครับก็บอกว่าเกียมุงบังแล้วนะต้องเกลียวว่ามีประจารันเดียกกันนะครับต้องสำเนาสำเนียงครับต้องนะครับถ้าจําเป็นต้องนอนในที่มุงบังเดียวกันกับอนุปสัมบัทควรทําอย่างไรจึงจะไม่ต้องอาบัตในสิกขาบทนี้ นุ่งขึ้นกับอันขึ้นนะครับคืนที่สี่นอนเราได้สามคืนคือที่สี่ต้องไม่นอนคืนที่สี่นี่ไม่นอนหรือว่าคือที่สามหรือคืนที่สีก็ได้ไม่คือคือที่สี่เป็ใช่ไหมคืนที่สามก็ต้องขอสอบขั้นตอนคือถ้าแบบของปันเตอันแรกเนี่ยเราตื่นกับอนุทุกวันเลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับแบบของลพ่อแบบไหนครับก็นอนได้สอ จอง อ, จาอารุณขึ้นเลยในสองคืนคืนที่สามคืนที่สามต้องต้องไม่ต้องไม่ถึงอารมณต้อ ง, องถออง่งกับอารมณใช่ไหมครับต้องรู้ ก, กับอารุณนะครับเมื่อรู้กับอารมณ์แล้วพอวันต่อไปค่อยนั่มหนึ่งใหม่ใช่ไหมครับัถูกต้องนะครับเนี่ยก็ใช้วิธียิง่ง ค, ครับต่อไปนะครับการนอนร่วมกับสัน德拉ฉานาตัวผู้กับสัน德拉ฉานตัวเมีย มีความแตกต่างเกี่ยวกับการต้องอาบัดอย่างไรครับนี่นะนอนรู้ว่เดรชานตัวผู้ตัวเมียต่างกันนะนอนกับเดรฉานตัวผู้นี่ต้องรอให้อาลูขึ้นสามบันกับวันที่สี่นอนอีกก็ถีงจะต้องเดรชานตัวเมียหน่วันเดียวก็ต้องเดรานตัวผู้เนี่ยมันต้องเกิน เกินสามราตรีใช่ไหมนะครับพอคือที่สี่ยังนอนต้องบบติต้องนะครับเดรฉา莎ตัวเมียต้องแต่วันนั้นเลยพอที่ตกดินไปนอนก็ต้องเลยเหมือนมาตุคามใช่ไหมครับทีนี้ถามว่านอนกับเดรนตูผู้นะเกินสี่ราตรีนะครับต้องอาบะอะไรครับปาจิตปีนะครับถ้าเกิดเดรา莎ตัวเมีย ในวันนั้นเลยต้องบบอะไรครับทุกข์ใจครับทุกกดนะโอ๊ยไอ้ทุกขใจเนี่ยนะตาหนักเลยเนี่ยทุกกอดนะครับถึงแม้ว่าเหมือนก็ว่าในแขนตัวเมียเน่ะมันเป็นอาบัติวายกว่าใช่ไหมแต่อาบัก็เบากว่าเป็นทุกกดนะครับต่อไปนะครับถามว่านะครับที่สุนอนร่วมกับ หญิงอมนุษย์มีพวกหญิงนะหญิงมนุษย์ก่อนนะนู่นหญิงมนุษย์นอนร่วมกับหญิงอมนุษย์มีพวกยักษ์พวกเปรตนอนร่วมกับบันดาลกับเธ อ, อย่นี้นะแต่ละอย่างต้องอาบัติอะไร รู้ว่าใจหนักไปครับทุกข์ครับทุกข์กอเหมือนกันนะครับตือตอเนี้เข้าหนักสุดก็แค่ไปอีนะครับออกขณะระดับระดับเดินเหมือนคู่หญิงหมดเลยอ๋อมันจะเป็นบัณดอกจริงที่เราเรียนมานะครบัดอกห้าปอะไรอย่างเงี้สอย่าง้เกครับชอบผู้ชายท่านครับต้องกลับไปดูในปราชิที่เราเรียนผ่านมามีบดอกกี่อย่างที่ห้ามบวชนะครับก็บรดอกอย่างเง้นะนอนไม่ได้ บันดอะไที่ห้าบัวนะบรนดอที่ไม่มีภาว่าเพศตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับสุงสกบันดอนไม่มีความปิีเป็นช้างตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็บันดอนที่ถูงตอนไข่บันดอนที่งตอนไข่พ่าขันทีพวกอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็บันดออีกอย่างคือบนดออะไรนะบันดอสองเพยุพตผเชนเอาอันนี้กคุณหนึ่งบันดอนนะครับอีกอันนึ่งอะ บันดอที่นะครับต้องดูนี่ไหมพอได้ดูผู้คนเสร็เมถุนกันแล้วเกิดความลิษยาแล้วจะหายกําหนัดใช่ไหม ค, นะครับเนี่ยนะครับสามพวกนี้นะครับอันนี้ต่อไปนะครับถูกไหมนีม่ยัถูกนะจำได้มันดมีห้าประเภทใช่ไหมเพราะงั้วก็มีพวกที่อ่าต้องอม องคชาดูน้าสุกีอ่ะผู้หนึ่งแล้วมันดอกข้างข้างแรงพู้หนึ่งใช่ไหมครับจำได้ว่าสองผู้นี้บวชได้นะแอบพวกข้างข้างแรมนะข้างที่แกไม่ได้เป็นมันดอกแกก็บวชได้ใช่ไหมครับแต่พวกต้องดูอสุจินี่ก็บวชได้นะมันก็ถ้าใจผิดอ่ะซ้ำอย่างที่เหลือบวชไม่ได้นะครับโอเคเขาบวชได้ครถ้าไปนอร่วมทุนนะครับเป็นปิ๊กร่วมกันอันนี้หมเข้าใจว่าไม่ไม่ดงนะครับจะโดนเดี๋ยวพ่อได้ห้ามบวช ในเดอนห้าเพราะง่ายลำบากอะไรนั่นอีกแค่จะพอดีห้าบัวนะครับไม่ห้าหัวนะครับต่อไปยครกในทีนุ่งดนีกบอกว่าช่วงบอกก้าตานี้ที่ห้าบัวนะคุณดิบันบอกหรือเปล่า ไม่พูดถึงอะไรนะครับไม่พูดถึงก็เข้าใจตามนั่นหต่อไปนะครับอที่สุแสดงทําแก่มาตัวทางเกินห้าหกคำคำว่าห้าหกคำเนี่ยหมายความว่าอย่างไร ขนาดไหนเนี่ว่าแต่ละคำเนี่ยหนึ่งบาทคาถาชื่อว่าหนึ่งบทหรือว่าหนึ่งคำในที่นี้นะครับคือหนึ่งคำหนึ่งบาทถ้าเป็นคาถาใช่ไหมหนึ่งแต่ละบาทคาถาชื่อว่าแต่ละคำหนึ่งบาทชื่อว่าหนึ่งคำถ้าไม่ได้เป็นคาถานะครเป็นคาพูดธรรมดาเนี่ยเช่น เอวอเมสุตังเอกังสมยังสรวาตาวทียังวิหรติสิปตะเนมิกาธาเยนั่นครับอันนี้มนไม่ได้ไม่ไมีไม่ไมีบาทแล้วนะเป็นร้อยแก้วธรรมดาอันนี้จะนับคำแบบไหนครับแปดแปดวัดกมีแปดวัดหนึ่งคำโอ้แปดพยานใช่ไหมแปดพยานหนึ่งคำก็ยังไม่ใช่ครับ นับเป็นบทไปเลยนะครับนับเป็นบทบทก็คือที่มีวิพากษ์เป็นที่สุดนะครับอันนี้นะนั่นมนจะระบบเช่น A วังก็บทหนึ่งใช่ไหมเมนก็บทหนึ่งพระสุตตังก็บทหนึ่งนะครับถ้าไม่เป็นกระถาก็นับเป็นบทไปเลยถ้าเป็นกระถาก็นับเป็นบาทนะครับนี่นะต้องนะครับและถ้าจําเป็นจะต้องแสดงคำแห่มาตุกคามจริงๆจะมีวิธีหรือเรื่องอาบัติอย่างไรครับ โยมมาหก็แสดงคนละคนระบาทน้อยไปคนะบาดอ่าคนละานคละาถาอเลยก็ได้นะครับแล้วก็บอกแกให้ม่โยมตำบนันให้ความโยมคนละคาถานะอย่า <c oughs> งนี้จะแสดง้งคนละคาถาได้ได้ได แล้วก็นั่ปีเดียบทใช่ไหมครัหรือไม่ก็ไปอยู่บนลูกคืนนแล้วก็แสดงตอบรือต้องนะครับแล้วมีแบบไหนอีกครับได้สองอย่างแล้วแสลงเฉพาะภาษาไทยนะครับแบบไหนอีกครับถ้าถ้าเขาจะเอาภาษาบาลีให้ได้แหะเอ่อเาผู้รู้ภาษาผู้รื้ภาษามาอยู่ด้วย ครับแล้วก็แบบไหนครับมีแต่ผู้หญิงหา partner ไม่ได้เขประเดี๋ยกันหมดเนี่ยนี่นะก็ถ้ามีผู้หญิงไปแล้วก็แสดงว่าลำบากอืมครับอันนี้ว่าแบบลกของพี่วิสุทธ์คร<ม>ับต่อไปมีวิธีหนึ่งที่แบบ<ม>โหสแสดงได้เยอะมากเลยถึงแม้ผู้หญิงคนสองคนก็สแสดงได้เยอะเลยค่าใช่ใช่ใช้ชอนให้เข้าถามปัญหาเกาะใช่ไหยครับ แล้วก็สแสดงไปเลยนะถามปัญหากว้างๆก็ได้ข้าตไตมีดอกมีเนื้อฟวาไว่าอย่างไงลบากแสดงครับต่อไปนั้งถูกต้องนะครับต่อไปถามว่ า, าสุขาบทข้ออุตรินะครับอุตริมุสธรรมที่มีจริงมีสมุทฐามเท่าไรจงบอกมาพร้อมกับที่บารเห็นผลมาด้วยนะครับอโอยเยี่ยงไปไอ โอ Titanic, clam clam. <Okay. S 1> ้ตฤทที่มีจริงนะนะครับมีสมุทฐานเท่าไหร่นะครับข้อเนี้คิดผมบอกว่าสมุทฐานสามนะครับคือการจิตการจารกาจิตนี่ผิดแล้วนะครับไม่เหมือนทินาธาสิกขาบทนะมันของข้อเจ้าพ่อเลยนะครับนั่นแหละการวาจากายม ไอ้ไม่ได้ดูหนัสือใช่ไหมถูกต้องนะครับซึ่งบทฐานสามนะครับกายวาจากายวาจาแบบที่ไม่มีจิตอย่างเดียวนะครับถูกต้องนะจะอธิบายผลมาทําไมมีแบบที่ไม่มีจิตอย่างเดียวถามประหารเนี่ยครอบคุมมากเลยนะครับไม่ีจิตในที่นี้หมายถึงไม่มีจิตที่เป็นอสุจิหรือเป่าไม่จิตที่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ อันนั้นก็ใช่เนาะจริงแต่ว่าอีกแบบหนึ่งที่นี่นะไม่มีจิตนะไม่มีจิตที้นี่ไม่มีจิตยังไงไม่มีจิตที่จะอัวนไออีกแบบหนึ่งให้ตรงๆเอีแบบเพราะว่าไม่มีจิตในสิกขาบทนี้ถ้าจะอธิบายว่าไม่มีจิตที่จะอ้วนั่นแน่คร่างไม่มีอีอย่าง ไ, ไม่มตออัวเ อ, อบบงทเป็นจะริงีนข้อนี้ไม่มีนะครับไม่มีสาคคำว่าได้บรรลุ อาจจะไม่มีเหตุผลครับจิตคือจิตที่ไม่รู้อะไรไม่รู้ภาพบัญญัตินะครับสุณสุขาบนนี้เขาบอกว่าไม่มีจิตด้วยอำนาจแห่งจิตที่ไม่รู้ภาพบัญญัตินะครับเพราะอะไรทําไมเมื่อรู้ภาพบรรยัติท่าอวดไม่ได้เนอะ ใช่ใชทารู้ทั้งรู้ใช่ไหมไม่มีการที่จะมาจงใจมาเมื่ อ, อยนี่หรอกนะครับถูกต้องนะครับแม้พูดได้ช้างก็ไม่ทําใช่ไหมไม่ทํานะครับต่บอไปนะครับแลกคราวไหนบ้างที่พระ อ, อริยเจ้าจะบอกอุตรินะครับที่มีจริงแก่อุปสัมบท น, นะครับเวลาไหนที่เขาก็มีการบอกอตริที่มีจริงนะ ไมได้บอกแกดูมาสัมบัญบอกแกรพระพิสูนด้วยกันไหมครับเวลาบ้ที่จาไปในที่ทีนั้นก็บอกนะครับพ่ามเีเหตุเหตุนคืออะรอาอยร า, า, รราย์รู้ว่าการปฏิบัตินาไม่ไเอ่าถูกต้องอันแรกนะครับป็นต้องการบุคคลแล้วเขารู้ว่าการปฏิบัติศาสนานี้ใช่ไหไเป็นสิ่งที่ไม่ไรผลใช่ไหมไม่ไรกัตาเพราะว่าท่านเป็นสกิพยานใช่ไหมครับอันนี้นะครับอันหนึ่งแล้ว อีกอย่างหนึ่งเวลาใกล้ตายครับมีคนมาถามมาลอบเล่าว่าท่านได้บรรลุจรงจริงหรือเปล่านะครับท่านก็จะบอกนีะครับแล้วอะไรอีกครับไม่มีครับไม่มีนะไม่มีครับโอ้ยมีข้อนี้ไม่มีนะสิครับตรงนี้นะครับพระริยาเจ้าหรือผู้ผูใดใช้ไม่มีบ้านนะพระริอาเจ้าไม่มีแน่นอนนะครับ ถึงผู้ที่ได้ชาถ้าไม่เหตุยช่นเป็นบ้านต้องเสื่อมจะชาก่อนถึ ง, งเป็นบ้านนะครับพอเรียนสิกขานอนุบันจะอนาบัตนะถ้าไม่มีพิสุบ้านหักคนนี้มีอนะีกสองข้ออันนี้ข้อนึงก็สืบต่อของชอร์มานุกีนะสืงเนื่องของชร์ชร บ, บอกว่าเพื่อเขารู้ว่านะการปฏิบัติในศาสนานี้ สิ่งที่มาไร้แก่สาไม่ไร้ผลงั้นนะคนบรรูุมีจริงและเนี่ยพอก้าฟ้าเขาจะรู้สึกยังไงพอก้าฟ้าเขาจะรู้สึกยังไงปฏิบัตบิตามเปสนศรัทธาให้นีมครัรบก็จะเกิดสาหะใช่ไหมครับในการปฏิบัตินะอันนี้นีกอันหนึ่งนะคือเพื่อใเขาเกิดสาหะความพยายามนครับในกา ร, รดิ้นควายนะมันเพื่เพียรปฏิบัตินะครับ และ อ, อันหนึ่ง น, นะครับก็อบอกว่าในเวลาที่มีคนอื่นมาก่าตู่ว่าร้ายท่านอย่างเงี้นะท่านบางทีท่านไม่ต้องการให้คนนั้นเขาเป็นโทษใช่ไหมครับท่านก็จะบอกนะครว่าท่านเป็นขั้นไหนขั้นไหนอย่างเงี้ น, นะใก็ได้มาบอกเข้ามาท่านนะครับอีกท่า ย, ยกตัวอย่างว่าพระโสดาบันไปก่าโทษอ่อก่าว ร, ร้าพระอรหันต์ใช่ไหมครับที่ยกตัวอย่างนั้นนะท่านก็บอกนะครับต่อไปนะครับนี่ถูกต้องนะ อ่าสิบสี่นะครับที่สูนะครับบอกอาบัตปราชิปอาบัตสังฆดีเสอาบัตปานจิตตีของที่สูแกนุบัตสัมบัญแต่ละอย่างเป็นอาบัตอะไรจงบอกมาเอาปราชีปก่อนเราบอกปราชิปของพระแก่เนมให้เน่เนี่ยเราต้องเราต้องบรปานจิตตีไม่ถูกครับต้าบัทุกกฎนะครับทุกเกิดคราวคำต้องนะครับ บอมาคณนดิเศษแกนุบสัมบัญบอมาคณาดิเศษแกนุบสัมบัญก็ตามทุกกฎเหมือนกันทุกกฎเหมือนกันใช่ไหมครับยังไม่ถูกครับปาจิตีครับปาจิตีนะครับใครปาจิตีปาจิตีเขาขี้อ่กนทุกกฎเขาญี้อ่านทุกกฎทุกกฎนะครับ ที่ที่ต้องบอสปาร์จิตตีนะก็มีข้อเดียวใช่ไหมครับคือบอบสปารัตการทิเศเสกานุปุสัมบัตชื่อว่าอามบัตชั่วยหญ่ทีนี้คืออามบัตพิเศสนะครับของพิสูจนะต่อไปนะครับข้อที่ห้าจะจบแล้วนะนะการบอสปาร์ตชั่วอย่างของพิสูจแบบไหนที่ไม่ทําให้ต้องอามบัตเลยนะครับไปจ่าต่อนนาคนเยอะเยอะนโอ้ แ่เขาเขียนลัไม่งั้นเขาทาทุวีดูบได้รับที่เยู่ิาอว่าจอะกาอาาย์ที่เรีาได้รับผลจากสงุจรสดงได้รับสมุทจรสดงให้เป็นผู้ที่บอกอาบัติชั่วยาของภิกษุแก่นุบสัมปันได้ใช่ไหมครับเนี่ยถูกต้องนะครับได้สมุจรสดงสงก็จะกาหนดใช่ไหมกาหนดก็ได้ไม่กาหนดก็ได้นะครับว่าให้บอกอาบัติได้กี่ตัว ใช่ไหมหรือว่าอะไรนะบอกได้ก <Right? S 1> <Why? S 2> ิจตระกูลที่มันครับหรือไม่กําหนดอะลยก็ได้นะครับมีการบอกของเนยหรือเปล่าเพื่อนเนยเข็นหลามใช่ไนมแล้วก็โดนข้อนี้บ่อยนะีการบอกของเนยเนี่ยสํานักมาก่อนเนี่ยบอกเลยนี่นั้ไม่ดีนะครับจะไปอยู่เพื่ออะไรใช่บอกเนี่ยข้อ ข้อปล่อยสุจินะครับมองโยมเลยเนนโอ้ยบ่อยมากน่าไม่ไหวนะเนี่ยเพื่อกำหลาเพื่เน้นเข็ดหลามากนะครับถ้าใครทุกคนประจานเพื่อจะก็ได้รับสมมติจากสองมีปัญหานี่โดนต่อไปนะครับอันนี้กรณีหนึ่งเลกรณีไหนครับครับกรณีสองไม่ได้รับสมมติจากสงแต่ก็ไม่ต้องอ่านบัต เข า, าเรียกว่าอะไรนะคือบอกอบาบัตรบอกอบาบัตรว่าถูกว่าถูกบอกว่าถูกกไม่บอกบอาบัตรนะครับบอกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้บอกทั้งสองอย่างเนี่ยถูกต้องครับอันนี้นะเนี่ยก็ไม่ต้ององบาบนะัตรประจานกับโหนนะคงไม่รู้จะเอาหน้าไปซวยเ <c oughs> นี่เ น, นื่องกรณีที่แบบหนังจริงเนี่ไม่ไหวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องนะท่านอย่างนี้ความจริงเนี่ยถ้าเป็นนะ คนที่จะมาบอกพระถึงถ้ากันบ่อยก็คนรที่จะมาบอกพระและขอถังแต่กรรมพระจะได้ช่วยแก้ไขให้นะครับมันมีวิธีหนักๆนเนี่ยอาจจะต้องอย่างนี้นะต้องบอกโยมคนั่งมาเลยเราบอ ก, กแค่อาการกระทำไม่ได้บอกว่าแกปิดสีข้อไหนอย่างเงี้ยนะงันก็ไม่ได้นะันไม่เข้มไม่รักไม่เห็นท่อ่ะอันนี้ก็ทําอีกนะ้อันนี้ก็ทําอีกแล้วลมเย็นๆมาก็อะไรกําหนัดมาก็เอาอีกแล้วนะครับอย่างนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวนะครับ ใจเป็นกุศลไม่ได้อกั้นอะไรนะอา<อ><อ>มือที่เปิดข้าว <laughs> ไอ้มือที่เปิดข้าวยอมเนะ <c oughs> ไปขยับกระชาสาจิเคลื่อนนี่นะ <c oughs> องอไม่ไเลยนะครับเนี่ยโอ้ยอะไรนะครับโอ้ อ <c oughs> ต่อไปนะครับข้อสิบหกจงบอกลักษณะของชาติปัตตีกัน <c> ใ <oughs> ห้หายกนนั <c> ้น <oughs> ถามไปแล้วถามแล้วนะครับชาติปัตตีชาติปัตตีถามไปแล้วนะวววนะอืมปัญหานะครับทายมาอ้าขอถามมาถุยนี่หนึ่งถามว่าดินจอมปลวกที่ตัวปลวกทําขึ้นพรีสุจะนาออกได้หรือไม่ ได้ได้ได้ได้ได้ได้มีได้ก็มีไม่ได้ก็มีเช้าไหมข้อแรกได้ข้อที่สองไม่ได้ข้อที่สามได้ก็มีไม่ได้ก็มีเข้าไหมเอาแบบไหนครับคิดเอาที่ได้ก่อนได้เอาเบอร์สามเอาได้เอาที่ได้ไม่ใช่หมายถึงเรารู้แล้วว่าข้อสุดท้ายใช่ไหมครับทีนี้ที่ได้น่ะพ่อให้อะไรครับ เขาแม่โดนฝนเลยใช่ไหมครับอันนี้ได้ถ้าไม่ได้ก็คือเป็นดินเหนียวโดนฝนแล้วโดนฝนแล้วก็ไม่ยช่พอโดนฝนเฉยๆเนี่ยก็ยังคุณได้นะครับโดนฝนแล้วต้องเป็นยังไงครับ <4 S 1> โดนฝนแล้วก็ระยะเวลาลวงไปถึงสี่เดือนใช่ไหมครับอันนี้เลครับต้องนะครับถ้าไม่เป็นไรครับ อ๋อได้เลครับอนนี้พิเศษนะถือว่าปั๋วมันขุดขึ้นมาแล้วนะครับขุดออกมาจากดินแล้วได้ น, าานะครับนอกจากว่าไปโดนโดนน้ำใช่ไหมแล้วก็ร่วงไปสี่เดือนหรือว่าสี่เดือนพอดีนะไม่จะเดือนนะโดนน้ําแล้วก็ร่วงไปสี่เดือนหรือสี่เดือนพอดีครับเกินสี่เดือนนะครับเกินสี่เดือนนะสี่เดือนพอดีนี่ยังไม่ต้องเกินสี่เดือนนะครับถูกต้องแล้วนี่ก็ปัญหาแล้วจบนะ ขอพักขึ้นกันนะครับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะครับรู้ไมมใช่ธรรมดาลเละครับปั่นมาได้สบายถนะ้ได้หลายคน